ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ลมประตพิยานได้นำเสนอเรื่องพระพุทธเจ้ามาถึงช่วงที่สเสด็จมาถึงสำนักของท่านปันเดวคีคือท่านโกนธัญญาวาปะพัทยะมานามาสชิที่หนีพระองค์ทิ้งมาตอนโรงทรงเปลี่ยนจากทุกรกิริยามาเป็นการมาเป็นเพี่ยนทางจิต แต่ตอนนี้ยังไม่เจอกันทีเดียวนะฮะเกิดท่านเห็นแต่ไกลเห็นแต่ไกลก็เกิดนัดหมายกันแล้วก็เรียกโดยความไม่ครบนะแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเป็นคนพูดชี้นำขึ้นมาไม่รู้แ่ะบอกว่าท่านทั้งหลายเปสมณโคดมนี้เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากกำลังเสด็จมา แล้วก็นั่นหมายกระตองลงทำไมว่าพวกเราไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาดจีวรของพระองค์แต่ว่าพึงวางอาสนะไว้ถ้าปราถนาจะพราบดัานก็ดังทำไมปราถนาก็แล้วไปหรือการแสดงอย่างนี้คือแสดงว่าเจ้าถิ่นไม่ต้อนรับเป็นการประท้วงไก ล, กลนะฮะ เป็นการประท้วงพระพุทธเจ้าแก่ๆคือไม่ไม่ต้อนรับมันก็ทาให้เราเห็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลแล้ว้ี่จริงในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีธรรมเนียมเหล่านี้อยู่ในมูสงคือเมื่อพระเทราผู้ใหญ่มาเนี่ยเราต้องลุกขึ้นต้อนรับแล้วก็อภิวาสแล้วก็ท่านท่านมีอะไรมาเราก็รับรับให แล้วก็บางคนก็ปูอานสนะเตรียมไว้ตั้งน้ําชาน้ําฉันอะไรแต่ไรเนี่ยถ้ารู้เรื่องหน้ามันก็พร้อมนะฮะถ้าไม่รู้เรื่องหน้าเนี่ยมันก็คุลีกุจอกันพอสมควรแต่ว่าเป็นวิธีการในการให้เกียรติยกย่องแก่เขาเรียกอาคนรตกขาวัดเกววัดที่เราจะต้องปฏิบัติต่อท่านผู้มาเยือนภาพเหล่านี้พอมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะภาพกรุงเทพเนี่ยมันมอีกแบบหนึ่งไล อย่างในวัดบรวรเนี่ยเราเห็นว่าพระนี่มีพระเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยร่วมพันนะฮะชั่วนาตาปีเลยมันเหมือนวัดมหาธาตุวัดบรวรเนี่ยพระมากเพราะว่าหมาิทยาลัยอยู่อยู่ตรงนี้พระเข้าพระออกพระเดินผ่านอะไรอะไรเยอะลเลยเพราะฉะนถ้าเราไปปฏิบัติป้อนรับเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันภาพเหล่านี้จะหายไปแต่ถ้าตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย เมื่อมีพระเทระผู้ใหญ่มาถ้ากระทันหันนะฮะตากระทันหันคือไม่รู้ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องมีคนไปบอกกล่าวกันแล้วพวกตอนรับได้ทำยังไงก็ทำกันไปเสร็จแล้วพระเนรจะมาพร้อมกันหมดเลยมาเข้าแถวแล้วก็กราบกราบท่านพร้อมกัน แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะวาดไปนคนคุยนะเราก็นั่งฟังเฉยๆเป็นไวแต่ท่านจะคุยอะไรกันทนนี้ก็ปฏิบัติวัดถากตามสงวรกตฐานะตอนนี้จะมีการมอบหมายแหละคือเป็นหน้าที่ของใครเวลาท่านออกจากวัดก็จะมาพร้อมเพียงกันสุม่มนั้นเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ว่นแนวที่ท่านปัญญาีแสดงออกเป็นแนวของการต่อต้านพวกเราไม่พึงอภิวาสใช้คําไม่แรงนะฮะไม่ใช่ใช้คําไม่แรงคือไม่ใช้คำว่าจะต้องไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือใช้คําว่าไม่พึงอภิวาสไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับไม่พึงรับบาตรจีวรคือตามปกติแล้วบาตรจีวรเนี่ยเราต้องรับก่อนคือไหว้ท่านแล้วก็รับบาตรจีวร แล้วก็ถือตามหลังท่านมาจะมีพระเดินนำหรือเดินเคียงอะไรต่วใดก็เดินตามหลังมาแต่ว่าให้วางอาสนะไว้เฉยๆก็พูดในทํานองไม่อยากนั่งก็นั่งมาอยากนั่งก็ไม่ต้องนั่งก็แสดงให้เห็นถึงอาการกระด้างกระเดืองขาดความเคารพถ้าไม่เราเห็นอย่างหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าเริ่มเทพครั้งแรกก็เจอคนต่อต้านแล้ว คนมีความรู้สึกเป็นปฏิปักม์นแต่ที่อั จ, จารย์ก็คือประสบ ค, ความสำเร็จเรื่การเทศการแรกก็มีพร ะ, พระยาบุคคลเกิดขึ้นได้แล้วแต่อย่าลืมนะคนที่มาเทศนั้นมีความคิดเป็นปฏิปักษ์ไม่ใช่สงสัยแบบอุปการศีวอกอุปการศีวกนี่เพียงแต่สงสัยแต่ปัญญบคีนี่ปฏิปัก์เลยจะต่อต้านด้วยแต่ว่าด้วย โดยพุทธานุภาพหรือด้วยความคุ้นเคยอะไรก็ตาม น, นะเพราะอย่าลืมว่าผมหลังของมนุษย์เนี่ยมันมีความสำคัญถ้านเหล่านี้ก็คือประชาชนในกรุงราชกรุงกบิลพัทซึ่งพระโทธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็เป็นราชกุมารแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันอยู่นาน อีกสี่ท่านก็เป็นลูกของพราหมณ์ที่ทำนายลักษณะของพระบริษัท ต, ตรอนประสูติใหม่ๆกนธัญญาเองก็ได้เห็นตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะ้นแม้จะนับหมายยังไงก็ตามนะเราสังเกตว่าข้อคำพูดเนี่ยไม่เก้าไม่เก่าเท่าไรในสุดก็พอมาถึงก็ลืมเลยบางคนบางคนก็ลืมกติกาเลยเจอตกลงกันลืมหมดก็ลุกขึ้นต้อนรับ เพระผูมีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งก็รับบาตรูปหนึ่งก็ปูอัศนะรูปหนึ่งก็จัดหาน้ําล้างพระบาทรูปหนึ่งก็ตั้งจัดตั้งตั้งรองพระบาทตั้งรองพระบาทก็เพื่อจะล้างพระบาทรนะฮะรูปหนึ่งก็นํากระเบื้องเช็ดพระบาทเช็ดพระบาทก็นี้ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งต่อไปต่างจังหวัดเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเจอนะครับพระนี่จะเจอภาพเรานี้เพราะมันมีวินัยนะ มีวินัยเนี่ยห้ามพระเอาเท้าเปื้อนเนี่ยเหยียบอาสนะเหยียบโดยเฉพาะผ้าขาวเนี่ยก็ห้ามเหยียบนะเหยียบอาสนะที่เขาปูไว้ในที่นิมนตที่บางทีมันก็พูดไม่ออกคือเขาห้ามสวมรองเท้าเข้าไปให้เดินออกไปอย่างเดินตองไปจากวัดเนี่ยเท้ามันก็เปื้อนแล้วนะเดินไปขึ้นรถโดยไม่สวมรองเท้าในเท้าเปื้อนแล้วทีนี้ถ้าไปถึงโยมไม่ล้างเท้าให้ แล้วไม่ตั้งน้ําเอาไว้ไม่มีผ้าเช็ดเท้าเอาไว้ะอะไรแต่เลยมันก็ยุ่งเหมือนกันน่ยมีปัญหาทางวินัยแหละทีนี้บางทีเนี่ยพระก็พูดบางทีท่านก็หาอะไรที่ก็วางวางไว้มีหรือเปล่ามีที่เช็ดเท้าหรือเปล่าทีนี้บางทีไม่มีเลยนะอันนี้ญาติโยมลองสังเกตบางทีไม่มีเลยเราก็ไปเรียกหาอะไรก็ไม่ได้ตอนพอถึงตรงนั้นต้องเดินข่าเข้าไป แล้วก็พยายามอย่าให้เท้าเนี่ยไปเปื้อนอาสช่ไหอาจจะเปื้อนกีวอรเราก็ได้นะบางทีเนี่ยนี่ก็คือจารีดเป็นขนบทรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติแล้วก็มีอยู่ในวงการสงฆ์แนตรงนี้ในสำนักอาจารย์กรรมฐานเนี่ยจะจะยุ่มยิ้มเยอะนะจะละเอียดเยอะเราไปสำนักตอนนั้นทักทีก็เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็เขินเหมือนกันนะก็ต้อนรับซื้อจะบเขินเลย ไม่คุ้นเคยแต่นี่จริงๆก็คือจารีที่เขาประพฤติปฏิบัติกันก็หมายความว่าภาพเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แบบพระทุดรง น, นนะครับคือหมายความว่ามีบาทแล้วก็มีที่นุ่งไปเนี่ยคือผ้าสบงกับผมจีวร น, นั่นก็จะมีบาทสมัยต้ตนๆก็มีเท่า น, นั้นนะครับเะฉนั้นเวลารับก็รับบาท บาตรอย่างเดียวนะเพราะว่าผ้าจีวงจีวรอะไรแต่มันไม่มีมากสักหนึ่งแต่นึกดูว่าเป็นวิธีชีวิตแบบง่ายๆยังเคยตั้งข้อสังเกตว่าตอนต้ตนๆเนี่ยพระพุทธเจ้าคงแต่งพระองค์คล้ายๆกับนักบูทินดูในปัจจุบันเนี่ยประค่ามันก็ตามมีตามได้นะไม่มีรูปแบบในการนุ่งหม่มชัดเจนว่านุ่งห่มยังไงกันแล้วมันก็คลี่คลายสถานการณ์มันคลี่คลา ย, ล ย, ลายมาเรื่อยๆเมื่อ จำนวนพระเพิ่มขึ้นมีคนก็รบต้องถือศรัทธา ส, สูงขึ้นแล้วก็มีคนถวายจะตัวปัจจัยสูงขึ้นนะฮะคือคือปัจจัยสี่สูงขึ้นเนะี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาโดยระดับแม้แต่จุวงจุวรก็ จ, จัดที่หลังจัดเป็นรูปเรียบร้อยอย่างที่เห็นในปัจจุบันไปเรื่องทีหลังวนะันนั้นเพรานะัท่านท่านเหล่านั้นก็รับบาท รับบาดจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไอ้ น, นี่ประเด็นนี้เป็นเป็นข้อที่น่าสังเกตเราถามพระเจ้ามาอย่างไงถ้ารับบาดรับจีวรด้วยนะฮะเพราะว่าพระยุคแรกเนี่ยนะยุคแรกท่านมีจีวรผืนเดียวมีเสบงผืนเดียวแต่นั้นเอง ว, วันเวลาเดินในในป่าเนี่ยเดินในป่าก็ไม่ห่มจีวรนเพราะต้องถนอมจีวรไว้ก็แสดงพระเจ้าไม่ได้ห่มจีวร ราักษาผ้าแล้วก็อุ้มบาตรท่านก็นจำได้เพราะว่านักบวชในอินเดียเนี่ยไม่ค่อยรุงรัง น, นะนะมีผ้าน้อยชิ้นมากจนบางนิกายไม่มีผ้าเลยนะไม่มีผ้าเลยอย่างพวกนิครนเนี่ยไม่มีผ้าเลยปเจ้าก็จะแดงว่ายุคแรกเราก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งคือยุคแรก เพราะว่าพระสง์เองยุคแรกก็มีลักษณะอย่างนั้นที่เฮเกิลเหตุเหตได้เกิดการถวายบุติมันก็เกิดมาจากพระเดินถือจีบวลดอกมาจากป่าที่ท่านพักแล้วก็มาถึงที่หนึ่งก็เป็นที่สะอาดเรียบร้อยท่านก็ค่อยๆคลี่จีบแล้วก็ยืนหม่มห่มสวยงามเรียบร้อยราชกษเศรษฐีมาเห็นประทับใจอนัก บ, บวลดังนี้เรียบร้อยจริงมาจากไหนเป็นใครมาจากไหน เขไปสอบถามรู้ความเป็นมาก็เกิดเรื่องสายขอถวายกุฏิเพราะว่าคุณเจ้าอยู่อย่างนี้ไม่เดียเป็นอันตรายได้จะถวายกุฏิพระท่านไม่รับนะเพราะว่าพระเจ้ายังไม่อนุ ญ, ญาตต้องไปกราบทูลขออนุ ญ, ญาตจากพระพุทธเจ้ า, วาถวายกุฏิครั้งแรกก็เกิดขึ้นหกสิบหลังจะถวายพระหกสิบรูปกุฏิก็คือกระตอนะ๊อกอะ สร้างวันเดียวนึกดัวเศรษฐีก็เกณฑ์บริวารมาช่วยกันสร้างหลังนสีหห้าคนเนี่ยก็สร้างก็กุติธรรมดาได้ไม้ธรรมดาสร้างแบบกระต๊อบทีนี้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีกระเบื้องที่เช็ดประบาทเปจะขัดบาทให้สะอาดเนี่ยพระพุญมีพระภาคเจ้าประทับบนอัศนะที่พระปัญจวัคคีจัดถวายแล้วก็ทงล้างพระบาท ตามระบาดโดยตงเองคือหมายความว่าท่านรลังก็ตักน้นะํ า, า, รารถนะฮะพรพุทธเจ้าก็ใช้รหัสถ์ถูรบาดเองแต่ปัญจวัคคีก็แสดงอาการไม่เคารพก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าโคโดมโคโดมนี่ไม่ได้นะเราพูดไม่ได้เราไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าสมณานครดมหมาสมณะนครดมหรือว่าโคโดมเนี่ยเราไม่พูดเรียกสิทธัตถะได้ไม่มีใครเรียกแหละ จ ะ, าาะจะเรียกพระผู้มีพระภาคเรียกพระศาสดาพูดรับหลังนี่จะเรียกพระศาสดาแต่พูดต่อพระภักก็จะเรียกพระผู้มีพระภาค พ, พระเจ้าจะเรียกพระองค์เองว่าตถาคตพระสศาพนามมีเยอะนะฮะแต่ว่าเวลาใช้เรียกขานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียกถ้าต่อหน้าเลยจะเรียกพระผู้มีพระภาคเป็นพื้นโดยเฉพาะภาษาทางวิจัย แต่ถ้ารับหลังนี่อาจจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระศัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรอะรกว่าจจะเรียกนะฮะอาจจะเรียกพระสุคตแต่คําไม่มากเราส่วนมากก็อยู่ในแวดวงนี้พระพุทธคุณเอามาเรียกไม่ทั้งหมดออกนวหารคุณทั้งเก้าเลยตัวคําบางคําเช่นวิชาจารณสัมปันโนนี่ก็พองแม่มาเนี่ ถ้ากล่าวถึงสันเสริญพระคุณก็ก็จะกล่าวถ้าเหล่านี้ใช้คําว่าอาวุโสอาวุโสนั่นแปลจริงๆครับแปลว่าคุณว่าเธอว่าอะไรก็ได้นะแปลว่าเองแปลว่าอะไรก็ได้มาข่าว่าเป็นคําที่พู้น้อยเรียกผู้ใหญ่อ่ะภาษาไทยเราแปลได้เยอะเลยแสดงให้เห็นว่าไงแสดงว่าไม่เคารพตีเสมออย่างน้อยที่สุด่ยปฏิวญ์กี่ตีเสมอกับผระพุทธเจ้า ทีนี้ตอนก่อนเนี่ยไม่แปลกอย่าลืมว่าตอนก่อนเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าตอนนั้นเพราเป็นนักบวช ด, ด้วยกันนะแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็อายุมากกว่าปู่เจ้าเองก็ไม่ได้แบกราชกุมารอะไรก็เป็นแค่นักบวชก็เรียกกันได้นะแต่ทีนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าแล้วพรีกอย่างนั้นมันอคารวะเป็นอคารวะต่อพระอริยเจ้านะะมันเป็นบาป แหงนั้นด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ไม่ใช่เจ้าขุนเจ้าเยอะาอย่างนะด้วยจิตคิดอนุเคราะห์เพราะว่าไปตีเสมอไปเรียกกฎพระอระหันตสมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นบาปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านก็อยู่ในเพศของภิกษุด้วยท่านก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คาว่าวุโส เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคําที่ขาดความเคารพและในคําเหล่านี้ในการต่อมาเมื่อก่อนรู้เจ้าจะไปนิพพานเนี่ยพระก็ยังเรียกกันมั่วๆนะเรียกอาวุโสอย่างนั้นอาวุโสอย่างนี้คือไม่รู้ใครเป็นใครเลยบางทีพระเล็กพระน้อยเนี่ไปเรียกขนาดพระสารีบุตรพระมคคัลลานะว่าอาวุโสเนี่ยโดยก็สั่งเป็นบัญญัติว่าต่อไปผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่ไม่ให้เรียกว่าพันเตผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยก็ให้เรียกว่าอาวุโส เรพันเตออุโสแต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยสังคมข้างนอกไปคิดไปตีคําว่าอุโสเพราะอุโสมันก็แปลแปลกเหมือนกันนะครับแปลว่าท่านผู้มีอายุดูก่อนผู้มีอายุปันเตแปลว่าท่านผู้เจริญฮะข้าแต่ท่านผู้เจริญไปตำหนิบารีแท้ๆนะฮะความยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คนก็นึกว่าอุโสก็คือมีอายุมากเห็นไหมเวลาพูดถึงคนแก่เราจะพูดถึงว่าอาุโส นี่คือไม่เข้าใจแต่จริงแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าท่านผู้เจริญผู้น้อยเนี่ยก็เรียกว่าคุณหรืออาวุโสกลาจะแปลนะฮะแปลปัจจุบันแปลใต้เท้าประเดษพระคุณเจ้าพระคุณก็แล้วแต่จะเรียกเรียกไปเยอะเลยแต่เรียกธรรมดาธรรมดาเนี่ยมาว่าดีเนี่ยอย่างญาติโยมเรียกเรียกพระเนี่ยเรียกพระ พระคุณเจ้าเรียกเรียกท่านเฉยๆเนี่ยมันมันอบอุ่นมันใกล้มันใกล้ชิดติใกล้ชิดติบางทีโยมไปเรียกพระเดชพระคุณอย่างเงี้ยโอเราสยองเลยบางทีแถมทั้งเจ้าพระคุณยังมีเลยเนะียมันหนักไปรู้สึกมันห่างเหินมันเป็นระบบเโชคลุม่มมลนายมาไปก็เรียกท่านเฉยๆสบายดีหรือว่าหรือว่าไม่ไรก็เรียกเจ้าคุณเฉยๆอย่างเงี้ย ธรรมดาไม่ต้องใส่เต็มอะไรธรรมนัสสักตามปกติแล้วเนี่ยคือเขาไม่ออกชื่อจริงก็จะใช้สรรพนามเวลาพูดต่อหน้ากับพระผู้ใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าจะกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชต่อพระพักเนี่ยมันต้องใช้สรรพนามเห็นยวแมเวโลกราบทูลรัฐบานประมาทกษัตริย์เราก็ใช้สรรพนาม พระกาบภูลฝ่าละองธุลีประบาทปวดเก้าปรดกระหม่อมอะไรอะไรก็ว่าอย่างนั้นคือไม่ได้เรียกพระ น, นามการใช้เรียกชื่อต่อหน้าเนี่ยถือว่าไม่มีความเคารพเพราะนั้นจริงๆมันต้องมีภาษาใช้ตามตามปกติเราจะนิยมใช้สรรพนามสรรพนามเรียกกันและพระเจ้าก็ส่งประกาศสถานะของพระองค์นะ และนี่ลองสังเกตว่ามันเป็นการบรรลืเสียงนาเป็นการประกาศครั้งที่เทไรละ่ะอย่างน้อยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่ว่าที่ชัดเจนเนะฮะคือประกาศก็อุปการชีวะเพราะว่าพยามังก์กับสามบดีพรมเนี่ยเขารู้พระเจ้าเป็นใครกับท่านตับุสะภลิกะก็ไม่ได้คุยกันก็พระมูงกษ์ชาติเองเนี่ยแกก็ไม่รู้พระเจ้าเป็นใคร ฐานที่ชัดเจนเนี่ยคือประกาศสถานะเป็นอรหันตสมมาสัพพุตตะเจ้าสองครั้งข้อความที่รับสั่งเนี่ยที่สูทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์จะรู้เองโดยชอบบอกสองอย่างคืออรหันตสมมาสัพพุท ธ, ธอรหังสัมมาสัพพุโตสองคำนะฮะคือแสดงพระพุทธคุณออกมาแค่สองคำ เป็นข้อความที่ชี้ให้เห็นถึงสถานะเป็นการแสดงถึงปัญญาคุณกับบริสุทธิคุณถึงนี้กรุณานี่มันไปอยู่ที่ประโยคหลังนี้ว่าจงพวกเธอจงเยียดโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมเห็น น, ะนั่นก็คือพระมหากุณาหนันก็แสดงบริสุทธิคุณปัญญาคุณแล้วก็มหากรุณาคุณ ความหมายของพระพุทธคุณแต่ละบทมีในยท่ที่ที่พิสดาร น, นะนะก็ถือว่าพิสดารมากๆคือถ้าหากว่าเราไปศึกษาเจาะรายละเอียดจริงๆเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนิวากันเป็นเดือนๆเนยมันลึกซึ้งมันมันยิ่งยิ่งอ่านยิ่งคิดยิ่งค้นนะฮะยิ่งยิ่งยงไปศึกษาแล้วยิ่ง จรงทราบซึ้งแล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นด้วยเด็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยคือคืออย่างน้อยที่สุดเนี่เราได้ยินได้ฟังที่แนวครูบ า, าจารย์ท่านเทศสมัยก่อนเนี่ยคือท่านจะขึ้นที่พุทตคุณเนี่ยเป็นบทนาก่อนประมาณสี่ห้านาทีเนี่ยเรียกอารมณกถาเป็นการเพิ่มปูนสถาปัตย์ภาษาถากของผู้ฟัง แล้วก็ดึงผู้ฟังเข้าไปอยู่กับพรระัตนาใจแ ย, ยกตัวเองออกมานะคือไม่ให้ชาวบ้านนับถือเราให้นับถือพรระัตนาใจเราก็ทําตัวเป็นเด็กรับใช้เป็นราชทูตอ่านราชสารแล้วกล่าวสันเสริญคุณของพรระัตนาใจเวลานี้มันมันจริงๆริงแต่เราหัมองดูไว้ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะคือไม่ค่อยประรอบพระพุทธเจ้า มียอคนหนึ่งก็ตายไปแล้วก็ เ, เป็นหัวหน้าประสงที่วัดเนี่ยเขาไม่กล้าพูดต่อหน้าหรอกเขาบอกเจ้าคุณโสพลอ้างแต่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถามมาคุณจะให้อ้างใครไม่อ้างพระพุทเจ้าจะอ้างใครคือเราไม่ได้คิดทําตัวว่าคนจะต้องมานับถือเราต้องมารู้จักเราเราไม่สนใจประเด็นตรงนั้นเราทําตัวเป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าพอแล้วนะรับใช้พระตัณฑ์ใจนี่พอแล้ว สูงส่งเกินเกินสถานะไปแล้วไดทําไปแต่ให้มีความซื่อสัตย์ต่อพรัตนาไตรก็ตามโครงสร้างของภาษากระคุณเนี่ยก็ไม่ได้หมายความมาเฉพาะฟ้าหรอกญาติยโยมเองก็เหมือนกันจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อพระัตนาไตรแล้วละคุณเหล่าเนี้แต่และข้อเนี่ยที่ยิงวิจิตพิสดา n บางเรื่องนีนเรายากยากที่จะอย่างรู้ได้นะ เช่นคำว่าอาระรหังเนี่ยก็คำเดียวนี่ก็ยุ่งแล้วนะฮรความหมายมันลึกซึ้งเยอะเคือถ้าไปแวะพักแล้วแวะแล้วก็ขยายแล้วจะจะวิจิตพิสดารมากเพราะฉะนั้นเราได้คําแปลเฉยๆนี่ก็ต้องเชื่อตามนั้นเนี่ยเพราะถ้าเราไม่เชื่อตามนั้นแล้วกว็ศรัทธาเนี่ยมันจะงอนเงนอยู่ตลอดมันจะแกว่งตลอดโดยเฉพาะเวลาเนี้ยคนในปัจจุบัน ไม่ค่อยเห็นความสําคัญของพระพุทธเจ้าก็ทําให้ความคิดเนี่ยเขาแกล้งพอไปแกว่งที่พระเจ้ามันรวนหมดเลยนะฮะทั้งทั้งทั้งระบบเนี่ยจะรวนหมดได้พระพาะระธรรมก็เป็นคําสอนพุทธเจ้าพอแกว่งที่พระเจ้าก็แกล้งที่พระธรรมมันเหมือนกับเราไม่เชื่อหมอคนเนี้ยหมอใครสั่งยาหมอจใจจิตยาเราไม่ฉีดแน่เลยสั่งยามาเนี่ยเราก็ไม่ยอมกินออก เพราะรอะไรเพราะเราไม่เชื่อว่าแกเป็นหมอมัันยงไม่ยอมกินธรรมะมันเหมือนกระยาพระเจ้าเหมือนกับหมอนะฮะสมมติอย่างเงี้ยพระเจ้าเหมือนกับหมอธรรมะเหมือนกับยาคําสอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการให้ยาแต่ยา น, นี้ที่จริงรักษาโปรองหายมาแล้วนะฮรักษาโปร่งหายมาแล้วรักษาคนหายมาแล้วแล้วอีกเยอะเลยแล้วก็มาให้เราแล้วเราก็ต้องใช้ความเชื่อเอาไปก่อน ประทรงแสดงแค่สองคำนะคืออรหังัสมาสบุบโทรหรือดาวาปัญจวัคีเขาเชื่อประเด็นตรงนี้มันก็ไปได้แล้วท่าฝฟังทั้งหลายแต่รบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี